นะโมตัสสะปะกวาโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขออนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส รัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุท ธ, ธะมหาหัตถิปะโทปะมะสูตรเพรื่อไตปิดกเล่มที่สิบสองข้อที่สามร้อยสี่สิบเรื่องอุปมาเรียสัตว์กับรอยเทาาช้างมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระปาก ประทับอยู่ในพระวิหารเชตวันารามของท่านอนาตะบินทิกาเศรษฐีในเกตพระนกรสาวพถีก็ในสมัยนั้นแลท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายรอยเท้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งแห่งสัตว์ทั้งหลายผู้เที่ยวไปบนแผ่นดิน รอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมดย่อมถึงการประชุมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างชาวโลกย่อมกล่าวว่าเป็นยอดของรอยเท้าเหล่านั้นเพราะรอยเท้าช้างเป็นของใหญ่แม้ฉันใดท่านผู้มีอายุทั้งหลายกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดย่อมถึงการสงเคราะห์ ข้าในอริยสัจทั้ง4ฉันนิ่นเหมือนกันและอริยสัจ4เหล่าไหนเล่าอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐเรื่องทุก์ความจริงอันประเสริฐเรื่องเหตุให้เกิดทุก์ในความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของทุก์และในความจริงอันประเสริฐเรื่องทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุก ผูมีอยู่ทั้งหลายก็ความจริงอารบรนเสดเรื่องทุกข์หรือทุกขอริยสัจนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์แม้ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความครามแกนใจก็เป็นทุกข์แม้ปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังนั่นก็เป็นทุกข์เราโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์สันปูมีทั้งหลายก็อุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นอย่างไรเล่าอุปทานขันธ์คือรูปอุปทานขันธ์คือเวทนาขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งของความยึดถือคือสัญญา ขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือสังขารและขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือวิญญาณก็อุปทานขันคือรูปเป็นอย่างไรเล่าคือธาตุทั้งสและรูปที่อาศัยธาตุทั้งสี่อย่างเหล่านี้แหละเรียกว่ารูปธาตุสี่อย่างอย่างไหนเล่าคือธาตุดินธาตุน้ำ ธาตุไฟและธาตุลมผู้มี อ, อยู่ทั้งหลายก็ธาตุดินมีทั้งที่เป็นภายในและเป็นภายนอกธาตุดินอันใดที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของเข่นแข็งอันความยึดถือเข้าไปดีแล้วเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อ เอน็นกระดูกเยื่อในกระดูกไต ม, ม้ามหัวใจตับพับงผืดปอดลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าหรือสิ่งอื่นๆอันใดที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของเข่นแข็งอันความยึดถือเข้าไปถือแล้วอื่นๆเนนอไปจากนี้อันใดก็ดี นั่นก็เรียกว่าธาตุดินที่เป็นภายในธาตุดินที่เป็นภายในด้วยที่เป็นภายนอกด้วยนั่นก็สักว่าเป็นแต่เพียงธาตุดินเสมอกันเท่านั้นอันใครๆพึงเห็นธาตุดินนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราบุคคลนั้น ครั้นเห็นธาตุดินเหล่านั้นด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายจากธาตุดินย่อมคลายกหนัดจากธาตุดินท่านบูมีอยู่ทั้งหลายสมัยใดธาตุดินที่เป็นภายนอกกําเริบย่อมจะมีได้แลก็ในสมัยนั้นธาตุดินอันเป็นภายนอกจะเป็นของอันตรธานไป ก si estas estas, ็ชื si ่อว่าความที bien, colors, dagegen, dad, Orlando, anda, idad, ier, ่แหงธาดินอันเป็นภายนอกนั้นซึ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นเป็นของไม่เที่ยงจะปรากฏได้ความเป็นของสิ้นไปเป็นธรรมดาซึ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นเป็นของไม่เที่ยงจะปรากฏได้ความเป็นของสิ้นไปเป็นธรรมดาจะปรากฏได้ความเป็นของเสื่อมไปเป็นธรรมดาจะปรากฏได้ ความเป็นของแปรปรวนไปเป็นธรรมดาจะปรากฏได้ก็ฉะนนความที่แห่งกายอันตันหาก็ไปเตือแล้วว่าเราว่าของเราว่าเรามีอยู่อันตั้งอยู่ตลอดการนิดหน่อยนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา จะไม่ปรากฏเล่าเมื่อเป็นเช่นนี้ความยึดถือด้วยตัณหาหมานะและทิฏฐิในธาตุดินนี้อันเป็นภายในนั้นจะไม่มีแก่ผู้นั้นเลยท่านบูมีอยยุทั้งหลายหากว่าชนเหล่าอื่นจนดา่าจะตัดพอกระทบกระทียบีบยดเบียนเธอผู้นั้นใช้เธอผู้นั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า ทุกขเวทนาเอ็นเกิดแต่สัมผัสทางหูนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าทุกขเวทนานั้นแลเป็นของอาศัยกันแล้วจริงเกิดขึ้นไม่อาศัยไม่เกิดขึ้นได้ก็ทุกขเวทนานี้อาศัยปัจสักจึงเกิดมีขึ้นเถอปนั้นยอมเห็นว่าปัจจเป็นของไม่เที่ยงยอมเห็นว่า เวทนาเป็นของไม่เที่ยงย่อมเห็นว่าสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงจิตอันมีธาตุเป็นอารมณ์นั่นเดียวของบุคคลผู้นั้นย่อมแล่นไปย่อมเลื่อมใสย่อมตั้งอยู่ด้วยดีย่อมหลุดพ้นทั้งบุญโยโยทังหลายหากว่าชนเหล่าอื่น จะพยายามทำร้ายบุคคลผู้นี้ด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าชอบใจคือด้วยการประหารด้วยฝ่ามือบ้างด้วยการประหารด้วยค้อนดินบ้างด้วยท่อนไม้บ้างด้วยสาตรตาบ้างบุคคลนี้ย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายนี้เป็นสภาพเป็นที่ไปแห่งการประหารด้วยสิ่งต่างๆเหล่านั้น นหพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ด้วยโอวาทอันเปรียบด้วยเลื่อยอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายถ้าออว่าพวกโจรผู้มีความประพฤติต่าช้าจะพึงตัดอวัยวะน้อยใหญ่ของเธอทั้งหลายด้วยเลื่อยอันมีด้ามสองข้างใสภิกษุผู้ที่ยังใจให้บุตทุสร้ายในโจรแม้เหล่านั้น ย่อมไม่เป็นผู้ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของเราด้วยเหตุนั้นดังนี้ห น, นึ่งความเพียรอันเราบา ร, รบแล้วจะเป็นธรรมอันไม่ย่อหย่อนสติอันเราเข้าไปตั้งไว้แล้วจะเป็นธรรมชาติไม่ลืมหลงกายอันเราให้สงบแล้วจะเป็นสภาพไม่โกรนกระวายจิตอันเราให้ตั้งมั่นแล้ว จะเป็นอารมณ์ันเดียวคราวนี้การประหารด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนดินบ้างด้วยท่อนไม้บ้างด้วยสาตราบ้างเหล่านี้จงเป็นไปในกายนี้ก็ตามทีเถิดคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้เราจะทาให้จงได้ดังนี้นั่นบุญมีอยู่ทั้งหลายห่าว่าเธอผู้นั้นระลึก ถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ผู้เบกขาอนาัสกุศลธรรมย่อมไม่ตั้งอยู่พร้อมได้เถอดปนั้นย่อมสลดใจย่อมถึงความสลดใจเพราะเหตุนั้นว่าไม่เป็นลาบของเราแล้วหนอลาบไม่ได้มีแกเราแล้วหนอ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 ย่อมถึงความสลดใจแมฉ้ฉันใดก็ฉะนั้นถ้าหากว่าเมื่อบุคคล น, นี้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าประธรรมและพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบคาอันอาศัยกุศลธรรมไม่ตั้งอยู่ได้ด้วยดีเธอผู้นี้ย่อมสลดใจย่อมถึงความสลดใจเพราะเหตุนั้นฉะ น, นั้นเหมือนกันแลท่านผู้มีอายุทั้งหลาย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 ด้วยเหตุแม้มีประมาณเท่านี้แหละคำสอนของพระผู้มีพระภาคเป็นอันภิกษุนั้นพึงกระทำไม่มากแล้วท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ธาตุน้าเป็นอย่างไรเล่าธาตุน้าที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีธาตุน้ำอันใดที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบ เปียกชุ่มอันความยึดถือก็ไปถือเอาแล้วคือน้ำดีน้ำเสล็์น้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ามันน้ำตาเปลี่ยวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไก่ข้อและน้ำมูดหรือจะมีสิ่งอื่นที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบ เปียกชุ่มอันความยึดถือเข้าไปถือเอาแล้วอื่นๆนอกไปจากนี้อันใดก็ดีธาตุน้ําทั้งที่เป็นภายในด้วย ท, ทั้งที่เป็นภายนอกด้วยก็สักว่าเป็นแต่เพียงธาตุน้ําเสมอกันเท่านั้นอันไกลไกพึงพิจารณาเห็นธาตุน้ํานั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราการเห็นธาตุน้ำนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตย่อมเบื่อน่ายจากธาตุน้ำย่อมคลายกำหนัดจากธาตุน้ำท่านภูมีอายุทั้งหลายข้อนี้ย่อมเป็นไปได้ว่าจะมีสมัยที่ธาตุน้ำที่เป็นภายนอกนั้นกำเริบ ถาดน้ำอันเป็นภายนอกนั้นย่อมพัดเอาบ้านไปบ้างพัดเอานิคมไปบ้างพัดเอาเมืองเอาชนบทเอาประเทศแห่งชนบทไปบ้างท่านบูมีอายุทั้งหลายจะมีสมัยที่น้ำในมหาสมุตรย่อมลดลงไปร้อยโยธบ้างสองร้อยโยธบ้างสามร้อยสี่ร้อยจนถึงเจ็ดร้อยโยธบ้างก็มี จะมีสมัยมที่น้ำในมหาสมุทรขังอยู่เพียงชั่วเจ็ดลำตานก็มีเหลืออยูเ่เพียงชั่วหกลำตานห้าลำตานจนถึงหนึ่งชั่วลำตานก็มีย่อมีสมัยซึ่งน้ำในมหาสมุทรขังอยู่เพียงชั่วเจ็ดบรุษก็มีคขังเหลืออยู่เพียงชั่วหกบรุษชั่วห้าบรุษชั่วหนึ่งบรุษหรือชั่วครึ่งบุรุษบ้าง ก็มีจะมีสมัยซึ่งน้ําในมหาสมุทรค้างอยู่เพียงชั่วครึ่งบุรุษเพียงแค่เอลเพียงแค่เข่าเพียงแค่ข้อเท้าก็มีย่อมมีสมัยซึ่งน้ําในมหาสมุทรลดลงเหลือเพียงแค่องค์ุรีเดียวจนไม่มีน้ําในมหาสมุทรก็ย่อมเกิดขึ้นได้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ชื่อว่า ความที่แห่งธาตุน้ำอันเป็นภายนอกนั้นซึ่งมากถึงเพียงนั้นเป็นของไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความแปรเปรวนไปเป็นธรรมดาจะปรากฏก้นได้ก็เชไหนความที่แห่งกายอันตัณหาเข้าไปถือเอาแล้วว่าเป็นเราว่าเป็นของเราว่าเรามีอยู่ มันตั้งอยู่ตลอดกาลนิดหน่อยนี้เป็นของไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความแปรเปรวนไปเป็นธรรมดาจะไม่ปรากฏขึ้นได้เล่าเมื่อเป็นเช่นนี้ความยึดถือด้วยตัณหาหมานะและทิฏฐิในธาตุน้ำอันเป็นภายนอกนั้นจะไม่มีแก่ผู้นั้นเลย หากว่าเมื่อบุคคล น, นี้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้กุเบคาอนาใสกุศลธรรมย่อมตั้งอยู่ได้ด้วยดีไซด์เถระผู้นั้นย่อมเป็นผู้ปลื้มใจเพราะเหตุนั้นด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แหละ คำสอนของพระผู้มีพระภาคเป็นสิ่งที่เถอดนั้นพึงทําให้มากแล้วภิกษุทธั้งหลายก็ธาตุไฟเป็นอย่างไรเล่าคือธาอตุไฟที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีธาตุไฟอันใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเร่าร้อนอันความยึดถือก็ไปถื อ, อแล้ว เช่นความร้อนที่ยังกายอบอุน่นความร้อนที่ยังกายให้สุดโทมความร้อนที่ทำอาหารที่กินแล้วดื่มแล้วให้ย่อยไปด้วยดีหรือจะยังมีความร้อนอื่นๆที่เป็นภายในที่เป็นของเฉพาะตนอันความยึดถือเข้าไปถือเอาแล้วธาตุไฟทั้งที่เป็นภายในด้วยทั้งที่เป็นภายนอกด้วย ก็สักว่าเป็นแต่เพียงธาตุไฟเสมอกันตอนนั้นอันใครใพึงพิจารณาเห็นธาตุไฟนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเราเน่นไม่ใช่ตัวตนของเราการเห็นธาตุไฟด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อนายจากธาตุไฟย่อมกลายกำหนัด จากธาตุไฟท่านภูมิยูทั้งหลายจะมีสมัยซึ่งธาตุาาไฟอันเป็นภายนอกนั้นกำเริบธาตุาไฟอันเป็นภายนอกนั้นย่อมไม่หมู่บ้านไม่นิคมไม่นครไม่ชนบทไม่ประเทศบ้างธาตุไฟอันเป็นภายนอกนั้นจะมาถึงหญ้าสดหนทางภูเขาแม่น้ำ หรือภูมิพากันเป็นที่รื่นรมเมื่อไม่มีเชื้อก็ย่อมดับไปเองจะมีสมัยที่ชนทั้งหลายสแสวงหาไฟด้วยขนไก่บ้างด้วยการขุดหนังบ้างก็ย่อมมีก็ชื่อว่าความเป็นแห่งธาตุไฟอันเป็นภายนอกนั้นซึ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นเป็นของไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความแปรโปรนไปเป็นธรรมดาจะปรากฏอยู่ได้แล้วก็ฉะนันกายนี้อันตัณหาเข้าไปยึดถือแล้วว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเรามีอยู่อันตั้งอยู่ตลอดการนิดหน่อยนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความแรปรบปรนไปเป็นธรรมดาจะไม่ปรากฏได้เล่าเมื่อเป็นเช่นนี้ความยึดถือด้วยสามารถแห่งตัณหามานะและทิฏฐิในธาตุใยนั้นจะไม่มีแก่ผู้นั้นเลยท่านทั้งหลายถ้าหากว่าเมื่อเธอผู้นั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระสง อยู่อย่างนี้กุเบคาอนาสัยกุศลธรรมย่อมตั้งอยู่ได้ด้วยดีไซน์เธอผู้นั้นย่อมเป็นผู้ปลื้มใจเพราะเหตุนั้นด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แหละคำสอนของพระผู้มีพระภาคเป็นอันเธอผู้นั้นแต่ไม่มากแล้วก็ทานลมเป็นอย่างไรเล่าทานลมที่เป็นภายในก็มี ที่เป็นภายนอกก็มีธาตุลมันใดที่เป็นภายในเป็นของพัดไปพัดมาอันความยึดถือเข้าไปถือเอาแล้วเช่นลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส่ลมเล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่คือธาตุลมที่เป็นภายใน ธาลมที่เป็นภายในก็ตามที่เป็นภายนอกก็ตามก็สากว่าเป็นแต่เพียงธาตุลมเสมอกันเท่านั้นอันใครๆพึงเห็นธาตุลมนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรารนั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรากระเน่นธาตุลมโดยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้ว ทิตย่อมเบื่อน่ายจากธาตุลมย่อมกลายกำนัดจากธาตุลมก็จะมีสมัยซึ่งธาตุาาลมอันเป็นภายนอกนั้นกำเริบธาตุลมอันเป็นภายนอกนั้นย่อมพัดเอาหมู่บ้านบ้างเอานิคมบ้างเอานคกบ้างพัดเอาชนบทไปบ้างพัดเอาประเทศไปบ้างก็สมัยที่ชนทั้งหลาย แสวงหาลมด้วยพัดใบตานบ้างด้วยพัดสำหรับพัดายบ้างในเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนแม้ในที่ชายคายาทั้งหลายก็ไม่สั่นไหวก็ย่อมมีได้ชื่อว่าความที่แห่งธาตุลมอันเป็นภายนอกซึ่งยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้เป็นของไม่เที่ยงจะปรากฏได้ เป็นของมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมใบเป็นธรรมดามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาจะปรากฏได้ก็จะไหนความที่แห่งกายอันตันหาเข้าไปยึดตือเอาแล้วว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นตัวตนของเราอันตั้งอยู่ตลอดกาลนิดหน่อยนี้เป็นของไม่เที่ยง มีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาจะไม่ปรกากฏในเราเมื่อเป็นเช่นนี้ความยึดถือด้วยสามารถแห่งตัณหามานะและทิฐิในธาตุลมนั้นจะไม่มีแก่ผู้นั้นได้เลยท่านบูมีอายุทั้งหลายถ้าหากว่าชนเหล่าอื่นจะดา จะตัดพอจะกระทบกระทียบเบียดเบีย น, เ, ยนเธอผู้หนีใสเธอผู้หนีย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าทุกขเวทนาอันเกิดแต่สัมผัสทางหูนี้เกิดขึ้นแล้วแกเราก็แต่ว่าทุกขเวทนานั้นแลเป็นของอาศัยกันแล้วจึงเกิดขึ้นไม่อาศัยไม่เกิดขึ้นได้ก็ทุกขเวทนานี้อาศัยผาสะ จึงเกิดขึ้นได้เถอดพุนั้นย่อมเห็นว่าผัสสะเป็นของไม่เทีย่ยงย่อมเห็นว่าเวทนาเป็นของไม่เทีย่ยงย่อมเห็นว่าสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงจิตอันมี่าเป็นอารมณ์นั่นเดียวของเธิดพุนั้นย่อมแล่นไปย่อมเลื่อมใสย่อมตั้งอยู่ด้วยดีย่อมหลุดพ้น ต่พนผู้มีอายุทั้งหลายหากชนเหล่าอื่นจะพยายามทำร้ายเถอผู้นั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจคือด้วยการประหารด้วยฝ่ามือบ้างด้วยการประหารด้วยก้อนดินบ้างด้วยการประหารด้วยท่อนไม้บ้างด้วยการประหารด้วยสาตราบ้างแต่ผู้นั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายนี้เป็นสภาพ ที่เป็นไปแห่งการประหารด้วยสิ่งต่างๆเหล่านั้นอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ในพระโอวาทอันเปรียบด้วยเลื่อยอย่างนี้ว่าพิสุตตังหลายแม้ว่าพวกโจรผู้มีความประพฤติตาช้าจะพึ่งตัดอวัยวะน้อยใหญ่ของเธอทั้งหลายด้วยเลื่อยที่มีด้ามสองข้างแล้วใช้เธอผู้ใด ที่ยังมีจิตประทุษร้ายในโจรนั้นชื่อว่าไม่ทำตามคำสอนของเราด้วยเหตุนั้นอย่างนี้อห น, นึง่งความเพียรอันเราปรารบแล้วไม่ย่อหย่อนสติเป็นธรรมอันเราตั้งไว้แล้วไม่ลืมหลงกายสงบระงับแล้วไม่กระวนกระวายจิตตั้งมั่นแล้วเป็นอารมณเดียวคราวนี้ การประหารด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้หรือด้วยศาสตราทั้งหลายจะเป็นไปในกายนี้ก็ตามทีเถิดคำสั่งสอนทั้งหลายของพระพุทธเจ้านี้เราจะกระทําให้จงได้ดังนี้ท่านผู้มีอยู่ทั้งหลายหากว่าเธอผู้นั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรม อยู่อย่างนี้เราลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ถ้าหากว่าอุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมย่อมไม่ตั้งอยู่ได้พร้อมใสเถินั้นย่อมสลดใจย่อมถึงความสลดใจเพราะเหตุนั้นว่าไม่เป็นลาบของเราแล้วหนาะรลาบไม่ได้มีกักเราแล้วหนาะเราไม่ได้ดีแล้วการได้ดีไม่มีแกเราหนาะ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 ภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบขาอัานอาศัยกุศลธรรมไม่ตั้งอยู่ได้ด้วยดีเท่นั้นย่อมถึงความสลดใจเพราะเหตุนั้นท่านภูมีอยู่ทั้งหลายแต่ถ้าหากว่าเธอผู้นั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ ระลึกถึงพระสงค์อยู่อย่างนี้ผู้เบิกขาอนาศัยกุศลธรรมย่อมตั้งอยู่ด้วยดีไซ์เถอนั้นย่อมเป็นผู้ปลื้มใจเพราะเหตุนั้นด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แหละคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสิ่งที่เธอนั้นพึงทาไม่มากแล้วท่านผู้มีอายุทั้งหลายอากาศอาศัยไม้อาศัยเถาวัล ดินเหนียวและยญ้าแวดล้อมแล้วย่อมถึงความนับว่าเป็นเรือนชั้นใดท่านภูมีอายุตั้งหลายอากาศอาศัยกระดูกและอาศัยเอนเนื้อและหนังแวดล้อมแล้วย่อมถึงความนับว่าเป็นรูปฉนนั้นเหมือนกันถ้ า, าว่าจักสุคือตาอันเป็นไปในภายใน เป็นของไม่แตกทำลายแล้วและรูปทั้งหลายอันเป็นภายนอกย่อมไม่มาสู่คลองแห่งจักสุทั้งความกำหนัดอันเกิดแต่จากสุและรูปนั้นก็ไม่มีความปรากฏแห่งส่วนแห่งวิญญาณอันเกิดแต่จากสุและรูปนั้นก็ยังมีไม่ได้ก่อนก็แต่ว่าหากว่าจากสุอันเป็นภายใน เป็นของไม่แตกทำลายแล้วและรูปทั้งหลายอันเป็นภายนอกย่อมมาสู่กรองแห่งจักสุแต่ความกาหนดอันเกิดแต่จักสุและรูปนั้นไม่มีความปรากฏแห่งส่วนแห่งบิญญาณอันเกิดแต่จักสุและรูปนั้นก็ยังไม่ได้มีก่อนก็แต่ว่าในการได้แลจักสุอันเป็นภายใน เป็นของไม่แตกทำลายแล้วและรูปทั้งหลายอันเป็นภายนอกย่อมมาสู่กรองแห่งจักสุทั้งความกำนัดอันเกิดแต่จักสุและรูปก็ย่อมมีในการนั้นความปรากฏแห่งส่วนแห่งวิญญาณอันเกิดแต่จักสุและรูปนั้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้รูปแห่งสภาพ ที่เป็นแล้วอย่างนั้นอันใดรูปนั้นย่อมถึงความสงเคราะห์ในอุปทานขันคือรูปเวทนาแห่งสภาพที่เป็นไปแล้วอย่างนั้นอันใดเวทนานั้นย่อมถึงความสงเคราะห์ในอุปทานขันคือเวทนาสัญญาแห่งสภาพที่เป็นปแล้วอย่างนั้นอันใดสัญญานั้นย่อมถึงความสงเคราะห์ ในอุปทานขันคือสัญญาสังขารแห่งสภาพที่เป็นแล้วอย่างนั้นเหล่าใดสังขารเหล่านั้นย่อมถึงความสงเคราะห์ในอุปทานขันคือสังขารวิญญาณแห่งสภาพที่เป็นแล้วอย่างนั้นดันใดวิญญาณนั้นย่อมถึงความสงเคราะห์ในอุปทานขันคือวิญญาณเต๋อเพนั้นย่อมรู้ชาติอย่างนี้ว่า ได้ยินว่าการสงเคราะห์การประชุมพร้อมหมวดหมู่แห่งอุปทานขันต์ทั้งห้าเหล่านี้ย่อมมีได้ด้วยประการชนิดห น, นึง่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพุทธพจนี้ไว้ว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุป บ, บาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุป บ, บาทดังนี้ ก็อุปทานกันตั้ง5้าเหล่านี้อันใดอุปทานกันเหล่านี้ชื่อว่ารรมที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นคือปฏิจจสมุปป น, นธรรมนั่นแลความพอใจความอาลัยความยินดีความชื่นชอบในอุปทานกันตั้ง5้าเหล่านี้อันใดอันนั้นชื่อว่าทุกขสมุทยัยคือเหตุให้เกิดทุกข การกำจัดความกำหนัดด้วยความสามารถความพอใจการละความกำหนัดด้วยความสามารถความพอใจในอุปทานขันต์ทั้งห้าเหล่านี้อันใดอันนั้นชื่อว่าทุกขานิโรธคือความดับไม่เหลือของทุกแลเป็นบุมีอยู่ทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แหละคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอันเธอผู้นั้น กระลยทำให้มากแล้วในกรณีแห่งหูจ ม, มูกลิ้นกายและใจก็ได้กล่าวไว้อย่างเดียวกันและเมื่อท่านพระสารีบุตรได้กล่าวธรรมประยานี้แล้วภิกษุทั้งหลายในที่นั้นชื่นชมยินดีภาสิตของท่านพระสารีบุตรนั่นแหละมหาหัตถิมาโทปมัสูตรอุปมาว่าด้วยรอยเท้าช้าง ฟังธรรมัมพุทธะ